f i f languages. Seventy-five. Yedubatti aindu. Heepol bang prakar. k a า a n u d a i i n g a l yed varvadilai. วันนี้ไม่กี่วันมรสุมหมอกกุลดุดีฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากน้องวันวันนี้ไม่กี่วันมรสุมหมอกกุลดุดทำไมเขาถึงไม่มาคะอวันเย็นวันวันนี้เขาไม่ได้รับเชิญอวันอาร์เรคกับปะดะวันนี เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญอาวันอาริกปะดอดาดอลบาราวิลเล่ย์ทำไมคุณไม่มาคะนี่เยนบรวิลเลดิฉันไม่มีเวลาเยนกกเนราิลเลดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา எனக்கு நேரம் இ ல ் ல ั த த ลบาราบิลเล่ววลทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะนีเ ன ்น ங ั க งก์คูดอดดิฉันยังต้องทำงานค่ะ எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கிறது ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ எனக்கு இன்னும் வேலை இருப்பதால் த ங ் க ப ปโววดอุอ ல ล ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะนิ่งเกลเย็นยิบุรเดฟโกกีเริงเกลดิฉันเหนื่อยคะ่ะ எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยคะ่ะ எனக்கு களைப்பாக இருப்பதால் போகிறேன் ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ ள ิ ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள் ดึกแล้วค่ะอีพอดีเนร์มางีวิ่งติดดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะนอนพกีเรียนเย็น อ, นอันตรายอีพอดีเนร์มางีวิ่งติดคารุณาไปที่ www. b o o k